ระทับไว้ในดวงจิตในช่วงที่เราไปลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยสึนามินั้นเป็นวันหยุดจึงเป็นไปได้ยากที่จะให้หน่วยงานราชการไปให้ความช่วยเหลือดูแลได้อย่างทั่วถึงเนื่องจากระบบราชการต้องสั่งการมาจากระดับบนไล่ลงมาจนถึงระดับล่างซึ่งเสียเวลานา น, าน การที่พวกเราลงไปครั้งนี้ถือว่าเราลงไปสงเคราะห์โดยตรงและไม่ใช่เฉพาะผู้ผู้ประสบภัยเท่านั้นแม้แต่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการเราก็ไปดูแลด้วยเจ้าหน้าที่เหล่านี้น่าเห็นใจมากโดยเฉพาะพวกทหารต้องยอมรับว่าพวกเขาปฏิบัติงานกันอย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อยต้องอยู่ในที่โล่งแจ้งกลางแดดจัดทั้งวันเพื่อรีบเร่งสร้างที่อยู่อาศัยให้ผู้ประสบภัย เจ้าหน้าที่กรมชนลประธานเจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาพวกหน่วยไฟฟ้าปรับปาทุกจุดเลยล้วนแต่ทำงานกันอยู่กลางแดดทั้งหมดในการปฏิบัติงานพวกเขาต้องร้อนจากแดดลำบากเรื่องน้ําและอาหารแม้มีเตรียมไปบ้างแต่ตลอดทั้งวันไม่มีใครดูแลพวกเขาเลยก็ได้กลุ่มพวกเราสิทธิ์หลวงตามาหาบัวนี่แหล ะ, ละเราอ้อน้าใส่รถเอาอาหารไปด้วยเครื่องส้มตำพร้อมอยู่ในรถไปตแจกกัน เป็นอะไรที่ประทับใจมากเป็นความอิ่มใจที่เราได้มีโอกาสนำเอาความเมตตาขององค์หลวงตามหาบัวไปเผื่อแผ่ที่เรารู้สึกประทับใจจนแทบจะหายเหนื่อยก็คือคำพูดของเจ้าหน้าที่รัฐที่กำลังระดมดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งวันเร่งคืนพวกเขาบอกว่าถ้าไม่มีหลวงตามหาบัวพวกผมคงแย่แน่ มันเป็นเหมือนน้าทิพย์ฉโลมใจเรารู้สึกว่ามันเป็นความสุขมันอยู่ในหัวใจลูกศิษย์ทุกคนว่าหลวงตาท่านได้แผ่เมตตาลงไปถึงทุกพื้นที่ทุกที่ทุกจุดและพอเจ้าหน้าที่เขาเห็นเราเขาก็จะบอกกันต่อๆว่าหลวงตามหาบัวมาแล้วพวกเขารู้สึกดีใจชื่นใจโดยเฉพาะส้มตําของเราขายดีมากเขารับประทานเข้ากล่องมาหลายวันแล้วพอส้มตำเราลงไปถึงเนี่ยรัแบบเดียวหมด คนเข้าคิวกันยาวรอบรถเลยน้ำที่เราเอาลงไปแจกในพื้นที่เขาก็รับไว้ด้วยความดีใจเพราะว่าอากาศร้อนมากอยู่น้ำบ่อยนี่ก็เป็นความรู้สึกสุขใจว่าเมตตาบา ร, รมีของหลวงตาลงไปประทับอยู่ในหัวใจของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติการอยู่ณจุดนั้นรวมทั้งผู้ประสบภัยที่เขารู้ว่าเรามาในนามของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน ที่ถึงแม้ว่าท่านจะอยู่ทางภาคอีสานแต่เมื่อมีผู้เดือดร้อนทางภาคใต้บารมีของท่านก็แผ่ลงมาเมตตาทั่วถึงโดยไม่ได้คำนึงว่าเป็นภาคใดชาติใดภาษาใดท่านช่วยเหลือหมดในเมื่อเป็นคนไทยอยู่บนพื้นแผ่นดินไทยร่วมกันเป็นมนุษย์ร่วมโลกเดียวกันเป็นความประทับใจซาบซึ้งใจที่ผู้ประสบภัยได้สัมผัสและบารมีของท่านยังเผื่อแผ่ไปถึงคนต่างชาติทั่วโลกด้วย ิดทองหลังพระงานที่เราได้ไปทำในานามของหลวงตามหาบัวอาจไม่ได้มีสื่อใดในประเทศไทยเอาไปออกเป็นข่าวแต่ในหัวใจของผู้ประสบภัยรวมทั้งเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ออกไปปฏิบัติการณนะตรงนั้นที่ได้รับความเมตตาจากหลวงตาต่างได้รู้เห็นและซาบซึ้งใจกันท่วนท่วนหน้าหลายคนถึงกับยกมือไหว้ท่วมหัวพร้อมกับกล่าวว่า ถ้าไม่ได้หลวงตาพวกผมคงอดตายทุกคนเหนื่อยกันมากโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการเวลาเราลงพื้นที่เอาน้ำเอาอาหารไปแจกให้ถึงที่ทุกคนจะกล่าวคำนี้เพราะฉะนั้นแม้จะไม่มีการออกสื่อในทางใดเลยว่าหลวงตาท่านได้เมตตาให้พวกเราไปช่วยเหลือแต่เรารู้ว่าในหัวใจของผู้ปฏิบัติงานและผู้ประสบภัยสึนามิทุกคนได้รับรู้ได้เห็นได้สัมผัสโดยตรง ในความเมตตาของท่านที่พวกเขาได้รับอย่างเราไปบ้านน้ำเค็มไปเห็นว่าคลื่นยักษ์กวาดทุกอย่างไปหมดไม่เหลือสิ่งใดเลยแม้กระทั่งบ้านเรือนขณะเราไปแจกน้ำให้กับชาวบ้านและเจ้าหน้าที่มีชาวฝรั่งเศสและเด็กหนุ่มชาวไทยในฐานะล่ามมาขอสัมภาษณ์ป้าครับขอสัมภาษณ์หน่อยเราถามว่าสัมภาษณ์ไปทาไมเขาบอกว่าเผยแพร่ไปฝรั่งเศสเขาตั้งคาถามว่า ทำไมป้าจึงมาทำแบบเนี้ยเราตอบเขาว่าเราดำเนินตามองค์หลวงตามมหาบัวรู้จักไหมเด็กหนุ่มคนนั้นบอกว่ารู้จักครับเราดำเนินตามท่านท่านเน้นการให้ทานเป็นหลักฉะนั้นเราก็ดำเนินตามท่านคือเอามาให้มาแจกเพราะเรารู้ว่าคนเหล่านี้เดือดร้อนเราจึงเอาทั้งอาหารและน้ำเหล่านี้มาแจกฟรี คนไทยแปลเป็นภาษาฝรั่งเศสให้ชาวฝรั่งเศสเข้าใจในสิ่งที่เราอธิบายและเขาก็ถามต่ออีกว่าในขณะนี้ผู้เดือดร้อนต้องการความช่วยเหลืออะไรบ้างเราตอบไปว่าอันดับแรกคือที่อยู่อาศัยเครื่องอุปโภคบริโภครวมทั้งปัจจัยแต่ว่าทั้งสมสิ่งนี้เราไม่สามารถที่จะรองรับได้สิ่งที่เราทาได้ขณะนี้คือนาเอาความเมตตาของหลวงตาทั้งน้าอาหารและกาลังใจมามอบให้ เขาก็รับฟังที่เล่าตรงเนี้ยเราอยากให้ทุกคนได้ทราบว่าแม้สื่อในประเทศไทยเราไม่ได้เผยแพร่แต่สื่อต่างประเทศเขาเผยแพร่เรื่องความมีเมตตาของหลวงตามหาบัวจำได้ว่ามีอยู่หลายประเทศมากที่มาสัมภาษณ์และนำไปออกสื่อในประเทศเขา